เอาเป็นนี้เราจะมาทราบกันนะคะว่าพระ คนส่วนใหญ่จะเข้าใจก็ไปรู้จักกันตอนที่ว่าไปฟังสวด ก็จะยังประโยชน์เพราะว่าในชีวิตประจําวันของ หรือถ้าจะให้เป็นประโยชน์ก็คือวันที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วมีโอกาสได้รับฟังการ อาจจะไม่เข้าใจในความหมายแต่ก็มีเสียงนั่นแหละเป็นเรื่องอยู่ด้วยกัน 4 รูป พระนิพพานพระภิธรรมเปรียบเสมือนแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาที่เดียวเพราะว่าได้กล่าว เพื่อให้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่ง พระภิธรรมยังเป็นแก่นที่จะนําในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้พ้นไปจากการเวียน วิชาการทั้งหลายทางโลกนั้นเราเคยได้เรียนเคยได้อ่านมาหลายทางโลกนั้นเราเคยได้เรียนเคยได้อ่านมานั้นใน ความทุกข์ความลำบากตรงนี้ไม่ใช่ลำบากจากการดํารง ที่สามารถจะใช้ดำรงชีวิตไปพบนึ่งชาติหนึ่ง ความเข้าใจในสภาวะธรรมตามกันถ้าตั้งคําถามว่าพระอภิธรรมคือ นับได้นับได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ไตรเนี่ย 3 ปิดกแปลว่าว่าตะกร้านะคะถ้าเราจะใช้ภาษาส่วนหนึ่งไว้ตะกร้าใน พระไตรปิฎกจึงเป็นที่บรรจุคําสอนและก็รวบรวมคําสอนในพระพุทธศาสนาไว้โดยละเอียดแบ่งออกเป็น เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับศีลขาบทสิ่งนี้ 21,000 พระแบ่งออกเป็นแบ่งออก 5 คัมภีร์ใน 5 คัมภีร์ก็จะเรียกย่อๆว่าอาปามะจุปะเป็นหัวใจของพระวินัยอาปามะจุปะอาหมายถึงอะไรอาหมายถึงคัมภีร์ที่ 1 ค่ะชื่อว่าอาทิกัมมิกะเป็นคัมภีร์ที่ว่าในเรื่อง แล้วก็ต้นบัญญัติในสิกขาบทต่างๆคัมภีร์ที่ 2 มีชื่อ 3 ตัวย่อชื่อว่ามะหมาย แล้วก็ในเรื่องของพิธีกรรมทางพระวินัยคัมภีร์ที่ 4 มีตัวย่อว่าจุหมายถึงเปแล 5 เป็นคัมภีร์สุด ว่าด้วยข้อเบตเลทในเรื่องของพระวินัยหัวใจพระ 5 คัมภีก็ได้แก่อาทิกัมมิกะปาจิตตีย์มหาวรรคจุลวรรคและปริวาระหรือจะอ่าน จะได้ทราบรายละเอียดในเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้อบัญญัติเกี่ยวกับศีลบทเกี่ยวกับที่มาบ้างเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระ ซึ่งเป็นคําตอบที่มีอยู่แล้วนะคะในใน อ่าหรือแยกหมวดก็ได้ค่ะถ้าเราจะไปซื้อพระไตรปิฎกนะ 2 นะ ถ้าจะเรียกสั้นๆก็เรียกว่าพระสูตรเป็นหมวดที่ประมวลๆเรื่องๆนั้นก็จะมีบุคคลมีนั้นจะใช้การค่ะ อย่างในเรื่องของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีในเรื่องของนางวิสาขาวิขาละมารดาเรา 21,000 พระธรรมขันธ์มีจํานวนเท่ากันกับพระ 21,000 ก็แบ่ง มีตัวย่อว่าทีมะสังอังขุทีมะสังอังขุทีหมายถึงอะไรทียาวทีคะเนี่ยแปลกลางๆจุละ ที่คันธนิกายจึงเป็นการแสดงสูตรที่ 34 สูตรนิกายที่ นะคะ, 2 นะคะชื่อว่า 152 สูตรพระสูตรที่ 3 มีชื่อตามเนื้อหาชื่อตามเนื้อหาอย่างเช่นถ้าจะกล่าวถึงในเรื่องของ 7,762 สูตรด้วย สูตรที่ที่ 4 นะคะ 4 ชื่อว่าว่าอังคุตตรนิกายก็ประกอบด้วยพระสูตรที่มี 1 ข้อบาง 2 มี 3 มี 4 ต่างกันกับเมื่อสักครู่เมื่อสักครู่เค้าจัดหมวดหมู่ 11 หัวข้อก็ ในนิกายนี้นะคะมีพระสูตร 9,557 สูตรด้วยกันฟังชื่อฟัง แล้วนำเพียงแผนที่มาชี้บอกไว้ว่ามีอยู่ได้กัน 3 หมวด 3 นิกายก็คือทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายหม แต่ที่เราจะได้เรียน 9,557 สูตรนิกายสุดท้ายค่ะคือ 5 ชื่อว่าขุททกนิกายก็ นอกเหนือจากที่จัดไว้ในนิกาย 4 ก็รวบรวมมาหมหม 15 หมวดด้วยกันหมวดแรกค่ะกันหมวดแรกค่ะขุททกปาฐะเป็นการแสดงบทสวดเล็กๆ2 ธรรมบทเป็น มี 300 คาถาหมวดที่ 3 อุททานแสดงพุทธดํารัตติที่เป็ง 4 อิติวุตตกะเป็นการแสดงคําอ้าง 5 สุตตนิบาตค่ะเป็นหมวดที่ 6 วิมานและวัตถุเป็นหมวดที่แสดง 7 เปตวัตถุแสดงเรื่องราวของเปรต 8 เถรคาถาแสดงภาษิตต่างๆ9 เถรีคาถาแสดงภาษิตต่างๆ หมวดที่ 10 ค่ะชื่อว่าชาดกเป็นหมวดที่ประมวลคาถาคาถาที่เป็นเกี่ยว เราจะได้ไม่ประมาทในเรื่องราวต่างๆที่เราได้ฟังเป็นค่ะเป็นนิเทศละเป็นหมวด ปฏิสัมภิทามรรคค่ะหมวดนี้ล่ะค่ะกล่าวถึงการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงความมีปัญญาอันประเสริฐหมวดของปฏิสัมภิทามรรคนี้จัดได้ อย่างในกรณีที่สาวกทั้งหลายๆก็ ท่านพระสารีบุตรก็ได้ขยายนะคะขยายให้พิศดานออกไปเพื่อยังประโยชน์กับผู้ฟังให้เข้าใจก็เป็นที่มา น่าสนใจนะคะสนใจนะคะผู้ที่สนใจใน 13 ชื่อว่าอปาทาน แล้วก็ชีวะประวัติของพระอรหันตสาวกพระอรหันตสาวิกาถ้าสนใจว่าพระสารีบุตรทําไมถึงมีปัญญา ท่านได้บำเพ็ญบารมีในเรื่องของๆเนี่ยค่ะน่าเป 14 เป็นคัมภีร์พุทธวงศ์ จำนวน 24 พระองค์หมายถึงจํานวน 25 พระองค์องค์แต่ในพุทธวงศ์กล่าวเพียง 24 ก็คือเว้นตัวผู้พูดไว้ก็คือพระพุทธองค์นั่นเอง พระพุทธเจ้า 24 พระองค์ในหมวดสุดท้ายนะคะ มาดูนะคะว่าทั้งหมดแล้วในหมวดของพระบ้างได้ ฟังบ่อยหน่อยนะคะไม่ใช่ๆนั้นเป็นการนําความ บุคคลคนนี้ทําดีบุคคลคนนี้ทําไม่ดีผลสุดท้าย แล้วก็เว้นจากการประพฤติชั่วไปในตัวนี่คือคํา ในหมวดของพระอภิธรรมปิฎกที่มี 42,000 พระธรรมขันธ์นั้นมาสงเคราะห์มารวบรวมเป็นหมวด และในบางคัมภีร์ก็ๆถ้า อ่าสาขาของพระพิธัมของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยหรือจะตามวัดตามสำนักเรียนต่าง ถ้าจะกล่าวถึงคนใดคนหนึ่งจะกล่าวถึงคนใดคนหนึ่งทางพระได้ๆเข้ามาเกี่ยวข้องมาเกี่ยวข้อง เอ๊ะแล้วจะคุยกันดูเรื่องมั้ยเนี่ยเอ 5 นี้มาคุยกันซิเอาเรียกจิตเจตสิกรูปนี้มาคุยกันค่ะไม่มี มีวิธีที่สามารถที่จะเข้าแทงตลอดรู้ได้แทงตลอดในที่นี้หมายถึงเข้าในคําสอนส่วนการแทงตลอดในเรื่องของสภาวะธรรมนะคะในเรื่องของสภาวะธรรมถ้าจะแทงต้องเป็นเรื่องการประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งเห็นตัวจริงของสภาพ มาดูรายละเอียดต่อไปในครั้งหน้าหรือหัวใจของพระพิธัมใช้วิเป็นเรื่องของคัมภีวิพังทาปุคือ กะคือคัมภียะหมายถึงปัดหมายถึง